จะมบทแปลเรื่องที่167เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจดวันทรงปรารพนางวิสาขาอุบาสิกาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าเปเมโตจายเตเป็นต้นตอน นางวิสาขาโศกถึงนางสุทตีที่ทำกาละได้ยินว่านางวิสาขานั้นตั้งกุมาริกาชื่อว่าสุทตีผู้เป็นธิดาของบุตรไว้ในหน้าที่ของตนให้ทำความขวนขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือนโดยสมัยอื่นกุมาริกานั้นได้ทำกาละแล้วนางวิสาขา ให้ทำการฝังสรีระนางแล้วไม่อาจจะอดกลั้นความโศกไว้ได้มีทุกข์เสียใจไปสู่สานักพระสัสดาถาวายบังคมแล้วนั่งนส่วนข้างหนึ่งตอนพระสัสดาตรัสอุบายระงับความโศกลำดับนั้นพระสัสดาตรัสกันางว่า วิสาขาทำไมหนอเธอจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่นางจึงทูลข้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้านางกูมาริกานั้นเป็นที่รักของหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดบัดนี้หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นนั้น พระสัสดาวิสาขาก็ในกรุงสาวัตถีมีมนุษย์ประมาณเท่าไรวิสาขาพระเจ้าข้าพระองค์นั่นแหละตราดแก่หม่อมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชนเจ็ดโกฎพระสัสดาก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้เท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซ เธอพึ่งปรารถนาเขาหรือนางวิสาขาอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระสัสดาก็ชนในกรุงสาวัตถีทำกาละทุกวันทุกวันมีประมาณเท่าไหร่นางวิสาขามากพระเจ้าข่าพระสัสดาเมื่อเป็นเช่นนี้ เวลาที่เธอเศร้าโศกก็จะไม่พึงมีมิใช่หรือเธอพึงเที่ยวร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันเที่ยวนางวิสาขายกไว้เถิดพระเจ้าค่าหม่อมฉันทราบแล้วลำดับนั้นพระสัตย์ดาตรัสกนางว่าถ้ากระนั้น เธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดแต่ความรักดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเปมะโตจายเตโซโกเปมาโตจายเตพยังเปมะโตวิปมุตตสะนัตถิโ ซ, โซโกกุโตพยังความโศก ย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษจากความรักภัยจะมีแต่ไหนตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเปมมโตความว่าปพราะอาศัยความรักที่ทำไว้ในบุตรและทิดาเป็นต้นนั่นเอง ในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาจบ